ก่อนฟังเนื้อหาหลักขอนำบทความธรรมะของคุณดังตรินมาลงประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นว่าความฝันไม่ใช่สิ่งร้ายสาระและเป็นประโยชน์มากหากรู้จักนามาพิจารณาให้ถูกทางเพราะความฝันเป็นการแสดงให้เห็นสภาพจิต ท, ที่แท้จริงหรือเป็นช่องเปิดเผยความลับเกี่ยวกับตัวจริงของเราแลวเราทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากความฝันเพื่อรู้ธรรมแบบพุทธได้อย่างไร สำรวจความฝันมาพัฒนาตนเองความฝันในยามหลับอาจสะท้อนความฝันที่ไม่สมใจ ย, ยามตื่นอาจสะท้อนความคาใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจสะท้อนความเห็นแก่ตัวดิบๆอาจสะท้อนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาจสะท้อนบาปบุญที่ทําไปอาจสะท้อนกระทั่งสมถะและวิปัสสนาที่ทําอยู่ การหลับและการฝันไม่ใช่แค่เรื่องของการพักผ่อนแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่ใช่แค่วิธีปรับสภาพสมองให้คืนสู่สมดุลไม่ใช่แค่การทำให้สมใจหรเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จริงแต่ยังเป็นบทลงโทษของการใช้ชีวิตไม่เป็นเป็นการตกรางวัลให้กับการทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่จิตสอนตัวเองเป็นใน ตัวอย่างสภาวะสมถะและวิปัสสนาที่ถูกเป็นกระทั่งตัวลวงให้หลงยึดสภาวะสมถะและวิปัสสนาผิดผิดท่าทีแบบพุทธที่จะใช้ประโยชน์จากความฝันคือการสารวจความฝันมาพัฒนาตนเองตัวอย่างผู้ได้ประโยชน์จากความฝันมีอยู่เช่นที่พระอสุพะได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด ก็เพราะมีฝันเป็นชนวนกล่าวคือท่านฝันว่าได้ห่มจีวรสีอ่อนเฉวียงบ่านั่งบนคอช้างเข้าไปบินธบาตยังหมู่บ้านพอเข้าไปก็ถูกมหาชนพากันมามุงดูพอตื่นจากฝันท่านก็เกิดความสลดใจว่าเมื่อฝันยังไร้สติจิตของท่านก็สะท้อนความเป็นผู้กระด้าง ด้วยเหตุที่หมัวเมาในชาติรกูลนั้นสูงส่งพิจารณาไปพิจารณามาท่านก็ละความกระด้างในมานะคือความถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เสียได้จึงบรรลุ ธ, ธรรมสิ้นกิเลสมานะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกในคนทั่วไปอาจจาแนกฝันไว้พิจารณาตนเองได้เช่น ถ้าฝันว่าหลงทางบ่อยๆแปลว่ากำลังใช้ชีวิตที่ผิดทิศ ผ, ผิดทางดีๆที่เคยเดินถ้าฝันว่าอาลรวาโกรธเกรี้ยวบ่อยๆแปลว่าเชื้อโทสะยังไม่หายไปอย่างที่คิดถ้าฝันว่าผิดศีลข้อใดบ่อยๆแปลว่าจิตค่องติดอยู่กับศีลข้อนั้นๆเป็นต้น ความฝันคือช่องทางเปิดเผยความลับเกี่ยวกับตัวจริงของคุณความฝันคือความจริงเกี่ยวกับอัตตาที่มีเหตุมีผลและน่าสนใจเสมอหากตื่นขึ้นแล้วจำความฝันไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าเพิ่งผ่านมันมาแน่ๆให้บอกตอนเองว่าความฝันนั้นมั่วและไม่คมชัดพอที่จะก่อความรู้สึกประทับลงเป็นความทรงจา การจำความฝันไม่ได้จัดว่าพลาดโอกาสทำความเข้าใจตัวเองและปล่อยให้ปมขัดแย้งบางอย่างดำเนินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้เลยว่ามันเผยตัวผ่านภาษาสั ญ, ญลักษณ์อยู่บ่อยๆแต่ถ้าครั้งต่อไปตื่นขึ้นมาแล้วจำความฝันอันใดได้ชัดก็แปลว่ามันก่อความรู้สึกได้แรงพอซึ่งฝันแบบนี้ลหละที่มีระดับเหนือกว่าความฟุ้งซ่านทั่วไป ลองถามตัวเองดูว่าคนสิ่งของหรือสถานการณ์ไหนในฝันที่มีความสำคัญทางใจที่สุดดูเป็นจริงเป็นจังที่สุดจากนั้นค่อยๆคิดค่อยๆเทียบเคียงว่านั่นเป็นเครื่องหมายแทนความรู้สึกแบบใดในขณะที่คุณกำลังลืมตาตื่นอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าฝันเห็นคนแปลกหน้าพูดหรือทาให้คุณรู้สึกอย่างไรที่แท้ความรู้สึกนั้น อาจเป็นความเชื่อหรือศรัทธาที่เปลี่ยนไปของคุณเองซึ่งกำลังก่อให้เกิดความรู้สึกผิดแปลกแตกต่างพูดง่ายๆคือคนแปลกหน้าในฝันก็คือตัวคุณที่หันหน้ากลับมาให้ตนเองเห็นว่าแตกต่างไปถึงไหนแล้วถ้าฝันเห็นตัวเองกับคนรักยืนอยู่ข้างศาลพระภูมิหรือไปเที่ยววัดใหญ่โตงดงามแล้วบังเกิดปิติเกิดความรู้สึกดีงาม นั่นอาจเป็นนิมิตมาเตือนว่าเคยร่วมบุญร่วมกุศลมาด้วยกันเยอะทำไมต้องทะเลาะเบาแวงก่อบาปก่อกุศลให้กันและกันด้วยเลา่าขอให้สังเกตุว่าคู่รักมักไม่ฝันทำนองนี้เวลาดีๆกันแต่ดันไปฝันเอาตอนกำลังตีกันจะตายเส น, นั่นถ้าฝันว่าตัวเองนัดใครหรือใกล้จะสอบวิชายากแต่กลับถลประมาททำโน่นทำนี่ไปเรื่อย ไม่ยอมเตรียมตัวไม่ยอมเดินทางเสียทีทั้งที่ใจก็ไม่สบายกระวนกระวายอยู่ลึกๆหรือกระทั่งรู้สึกผิดที่ไม่รู้จักรับผิดชอบนั่นอาจเป็นอารมณ์ทุกข์แบบเดียวกันที่คุณรับผิดชอบหน้าที่ไม่ดีพอระหว่างลืมตาตื่นเมื่อฝึกเชื่อมโยงสัญลักษณ์ทางอารมณ์ในฝันเข้ากับอารมณ์ที่สอดคล้องกันยามตื่นคุณจะค่อยๆสังเกตออกว่า ตัวละครในฝันล้วนมีความหมายเป็นลูกศรที่กลับมาหาตัวคุณเองทั้งสิน้นและเมื่อช่างสังเกตต่อไปเรื่อยๆพักหนึ่งบางคืนคุณอาจเกิดสติรู้ทีเดียวว่ากำลังฝันอีกทั้งเห็นชัดเจนโดยไม่มีอาการปกป้องตนเองว่าคิดอะไรอยู่อยากได้อะไรอยากพูดแบบไหนกับใครบ้างเมื่อความฝันเปิดโอกาสให้ใส่ได้เต็มที่ เมื่อคุ้นกับความจริงเกี่ยวกับตัวเองที่สะท้อนผ่านภาพฝันแล้วอาจจะมีสักเช้าหนึ่งที่เมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาเกิดอยากตั้งคำถามว่าอะไรคือตัวคุณกันแน่ถึงตอนนั้นอาจได้ข้อสรุปว่าตัวคุณคือความรู้สึกหลงยึดอะไรอย่างหนึ่งชั่วคราวตัวคุณคือกรรมทางความคิดกรรมทางวาจากรรมทางกายที่เกิดขึ้นโตตอบ กับสถานการณ์หนึ่งหนึ่งเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนได้เรื่อยๆกรรมก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆและเมื่อกรรมเปลี่ยนได้เรื่อยๆตัวตนก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆเช่นกันเมื่อล้มเลิกความคิดว่าตัวคุณคือภาพใดภาพหนึ่งที่น่ายึดไว้คุณจะคลายปมขัดแย้งกับตัวเองคลายความรู้สึกไม่เข้าใจตัวเอง กับทางอานเป็นผู้หนึ่งที่พบว่ายอดแห่งความลับที่ความฝันเปิดเผยออกมาคือไม่มีตัวคุณอยู่จริงอย่างที่คิด